สนทนาธรร ม, มากันวันนี้ในช่วงวาระแห่งการสูญเสียผู้นำสูงสุดของประเทศคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ท่านได้สวรรคตลงเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เวลา 15.52 นณนะที่ โรงพยาบาลศิริราชนะ่นั่นในช่วงนี้สิ่งที่ควรจะมาปรรบกันว่าเออเนี่ยมาพิจารณากันอย่าง้ว่าทำไมประชาชนทั้งประเทศและคนส่วนใหญ่แล้วก็แม้ทั่วโลกก็ทราบข่าวกันจำนักข่าว CNN เนเ่ก็ประโคมข่าวว่า ประชาชนชาวไทยเนี่ยสูญเสียเป็นวันมหาวิประโยคของคนไทยว่างหลายคนก็มีโยมบางคนเนี่ยบอกว่าร้องไห้ทุกวันไม่รู้จะทำยังไงวนะขับรถกันไปร้องไห้ไปนะบางคนก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ก <c oughs> ระพูดกันสารพัดเนี่ย ก็เห็นร้องไห้กันระงมที่โรงพยาบาลศิริราชหน้าที่ต่างๆเนี่ยพากันร้องนะในวันที่เคลื่อนย้ายพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชมาที่พระบรมหาราชวังคุ้ประชาช น, นเนืองแน่นสองข้างทางเนี่ยเป็นหลักล้านนะคนเป็นล้านๆถอขยืนเป้ายืนล้อส่งสเสด็จ สูส่สวรรค์คาไลอันนี้เราก็จะเห็นปรากฏการที่ครั้งหนึ่งในชีวิตหรือเป็นประวัติศาสตร์เน่งต่างๆตรงเนี้ยถ้าเราไม่คิดหรือปล่อยจิตไปธรรมดาเสียก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามาคิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาในโลกใบนี้ทำไมสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับคนได้มากขนาดนี้ในขณะที่จากไปเนี่ยเออทไมเป็นที่รักที่เคารพ บ, บุคคลได้มากมายขนาดนี้ หลายๆคนก็มองสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็คิดกันไปต่างๆนาะนาะแต่สิ่งที่เราควรจะมาคิดหรือพิจารณาเนี่ยให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนเนี่ยถามว่าท่านมีอะไรเนี่ยก็ต้องไปสืบค้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นทันทีแล้วอ๋อเนี่ยก็ไปดูธรรมะหมวดสิบเนี่ย รู้สึกจะมาในชาดกด้วยในะคุตการิการชาดกก็มีเขาเรียกว่าราชธรรมสิประการหรือทศพิธราชธรรมท ำ, ทำราชธรรมสิประการหรือทศพิธราชธรรมเนี่ยทำของพระราชากิต จ, จวัตที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติหรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองธรรมะของนักปกครองเนี่ยถ้าทศพิธราชธรรมหรือราชธรรมเนี่ยทำของพระราชาโดยเฉพาะเลยแต่ก่อนเนี่ย การปกครองก็เป็นลักษณะเป็นพระราชาทั่วโลกก็จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนถ้าไปดูในพระสูตรที่ตอนอุบัติเกิดขึ้นของโลกใบนี้และต่อมาก็มีมวลมนุษย์มาใสเนี่ยนะในอคัญญะนะก็จะเห็นชัดว่าอ๋อก็มีการสถาปนามาเลือกปล้นปู่มีบุญคนที่สง่างามคนที่ หน้าเกงขามเป็นตัวเหล่านี้ขึ้นมาเป็นผู้นําก็คือนั่นคือการเกิดขึ้นของพระมหาสมุติก็คือการปกครองครั้งแรกก็มีผู้นำนั่นเองแล้วจะเห็นชัดว่าถ้าใครประพฤติตามทศพิธราชธรรมหรือพระราชารูปใดท่านเป็นธรรมธรรมะของพระราชาแล้วเอาธรรมะเหล่านี้ที่พระบรมศาสตร์สอนเขาไว้เนี่ยเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ย่อมจะยังกิดของมหาชนหรือบุคคลดยทั่วไปนั้นเองเคารพรักข้อแรกก็คือทานทนะี่จริงๆศัพท์มันมาจากคาว่าทานัง เวลาตอนนั้นพระเขาท่องภาษ า, ายสยายกันก็จะสายสายทานังจีรังปริจาขังอาชวังมาดวังตะปังอโกูทังอวิหินสัญจาคันตินจาอาวิโรธนังสิประการเนี่ยนะเนี่ยธรรมะสิประการนี่ก็คือหนึ่งทานทานนังก็คือทานนะที่มีอยู่ในองค์ของว่า พระกษัตริย์หรือองค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ท่านสวรรคตไปเนี่ยท่านคือให้สละพระราชทรัพย์บำรุงเลี้ยงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างไม่หยุดหย่อนเราก็จะเห็นชัดเลยนะพระราชกรณียกิจเนี่ยในข่าวพระราชสำนักก็ดีเรื่องราวต่างๆที่เล่าขานกันเนี่ยองคิดดูใน70น็ดสิบีนะของราชเนี่ย โอ้โหตอนสมัยหนุ่มๆเดิแลวทรงยาววัยเด้แล้เจาลิกเออเดินทางไปช่วยสราพระราชจทรัพย์บังบำรุงเลี้ยงบรนช่วยเหลือนาะประชาราตก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกอย่างนี่คือฐานนี่คือการสลักวัตถุภายนอกใครทำได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นที่รักอยู่แล้วประการต่อมาคือสีหลังสีเนี่ยความประพณีที่ดีงามก็คือสํารวมกายสํารวมวาจาประกอบแต่ สุจริตกายสุจริตเนี่ยวจีสุจริตมนโสาานสุจริตรักษากิตติคุณด้วยให้ควรเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็จะสังเกตได้โอ้มีข้อปฏิบัติอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยนี่เป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เนี่ยแล้วท่านก็เอาไปพืปฏิบัติฝึกฝนสํารลมกาสมรสํารลมวาจาให้เกิดขึ้นจริงๆและเป็นที่เคารพนับถือของนอนาประชาราชไม่ให้มีข้อที่ใครไปดูแคลนได้ซึ่งเราจะเห็นชัดเลยเนี่ พฤติกรรมที่ท่านแสดงออกทางกายทางวาจาหรือการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นพฤติกรรมทางกายวาจานี่เห็นงามจริงๆต้องยอมรับแต่เนี่ยประการที่3ปริจาคะมันต่างจากทานนะปริจาคะเขาเรียกการบริจา ค, าา ก, าจาคาก็คือการสละความสุขใช่ไหมถ้าเป็นทานอย่างเดียวเนี่ยคือให้วัตถุข้างนอกแต่ปริจาคะนี่การสละความสุขความสําราญเลยตอนเองเนี่ยถ้าจะอยู่อย่างนั้นน่ยก็เสวยความสุขได้เต็มที่ ใช่ไหมจากการที่อยู่สูงสุดของประเทศแต่ไม่ต้องขวนขวายคือสละความสุขจากการที่ตัวเองจะต้องนอนดีๆกินดีๆเนี่ยบริโภคอาหารดีๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยสุขสาําราญความสุขทั้งหลายนี่สละเลยสละความสุขสําราญเป็นต้นตลอดทังชีวิตของตนเองเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองสละเลยต้องไหนมันมีปัญหาท่านไปหมดเลยส้งเกต ด, ดูทีชาวเขามีปัญหาไปแถวภาคอีสานเสร็จไปภาคเหนือไปภาคใต้ไปเนี่ยที่มีปัญหาหน้าที่ไหนไปก็คือสระความสุขส่วนพระองค์นั่นเองเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่านี่มาจะกคำว่ า, าปริจาคังเออยังพวกนี้ให้สังเกต ด, ดูนะว่าหลักการตรงเนี้ใครเอาไปทําก็ได้โดวยเฉพาะวิปปุโปรองนักบวชเอาไปทําก็ยังได้เลย แทนที่จะเห็นแต่ความสุขแก่การหลับการนอนไม่เลยเนี่ยคว้นขวายเลยในการที่จะสละความสุขของตนเองไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่กิกกนไม่เห็นแก่การอยู่ที่ ส, สะดวกสบายเป็นตน้นสละทิ้งไปเลยในวันคว้นขวายช่วยเหลือเข็นคนอื่นทุกอยู่ไม่ได้จะมาอยู่สวยความสุขอยู่กินดีๆนอนดีๆนั่งดีๆบริโภคอาหารดีๆทั้งเป็นตน้นมีสิ่งแวดล้อมดีๆสละเลยนี่กือปฏิจาคัน ประการที่สี่ก็คืออาชวังอาชวะเขาแปลวความซื่อตรงความซื่อตรงก็คือซื่อตรงสัตว์นะทรงสัตว์ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนไม่ใช่ที่ทำเนี่ยเสแสร้งแกล้งทํานะแต่ทําด้วยความซื่อสัตว์สุจริตทำด้วยความจริงใจไม่มีมายาเสแสร้งแกล้งทํานะ ไอ้ตรงเนี้ยมาจากจิตใจอาชวังเนี่ยซื่อตรงชัดเจนมีมีธรรมะอยู่ในจิตใจไม่ใช่ว่าการกระทาอย่างนี้เพื่อต้องการเอาหน้าต้องการเ่ชื่อเสียงต้องการให้มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่หลอกลวงที่เป็นมายาไม่ใช่อันนี้ตรงตรงเลยนะวังน้นเดอซื่อตรงด้วยซื่อตรงทรงสัตย์ด้วยไรมายายปฏิบัติภารกิจโดยสุดจริต กายก็สุดจิตวาจา ก, ก็สุดเลยมาจากใจที่สุดจิตนะนะมาจากสภาพคุณภาพจิตใจที่ดีทั้งคุณภาพทั้งสมรรถภาพทั้งด้านความสุขทั้งด้านจิตใจมีความจริงใจนะมีความจริงใจตรงนี้ก็จะเห็นชัดก็คือด้านของเมตตากรุณาเมตตาใ น, นความจริงใจชัดไม่ได้มีกิเลสอยู่ในใจตรงนั้นประการที่5้าเาเรียกมั ท, ทวังเคยได้ยินไหมมั ท, ทวะ มัทวงังมัทวะความอ่อนโยนตรงนี้สําคัญมากคือมีผ้าตาヤสายเนะ่ยไม่เยื่อหยิ่งไม่หยาบคายไม่กระด้างไม่ถือองค์มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงท่าทีที่กิริยาสภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความรักพักดีนะแต่ไม่ให้ขาดยําเกรงนะคําว่ามัทหวงนะังเนี่ยจะมีสองส่วนนะเเป็นคนอ่อนโยน สภาพจิตที่อ่อนโยนเพราะไม่มีทิถิมานะคนที่ไ ม, ม่อ่อนโยนทางด้านสภาพจิตใจเนี่ยจิตใจแข็งกระด้างเพราะทิถิมานะมีกำลังใช่ไหมมีความเห็นที่แข็งกระด้างมีทิมานะที่แข็งกระด้างแต่ท่านไม่เป็นอย่างนี้มัตวะนี่คือความอ่อนโยนคื อ, ค, อคือมีอธัธยาศัยไม่เยอ่อยิงไม่หยาบคายไม่เยอ่อยิงไม่หยาบคายก็คือว่า ถ้าถามว่าเยอะอยิงหยาบคายกระด้างถือองค์นี่เ ป, นเป็นเป็นอาการของอะไรกิเลสตัวไหนมานะเพรมานะนั่นคนที่มีมานะเนี่ยจะพองจะพองลมจะพองตนเองจะยกตนชูตนหรือคนที่มีทิฐิแข็งกล้ายึดทัศนาความเห็นตนเองเนี่ยพวกนี้ไม่มีความอ่อนแต่มัทรวังเนี่ยมัทระวัเนี่ยเป็นความอ่อนโยนเนืมีอัตยาศัยไม่เยอะอยิง ไม่หยาบคายไม่กระด้างไม่ถือองค์มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงกิริยาสุภาพนุมน่มนวลไอ้ท่วงกิริยาพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยที่กิริยาที่อ่อนน้อมนุมน่มนวลมาจากสภาพใจิตใจที่อ่อนโยนไม่ถือองค์ถึงเนี่ยละมุนละไมยอย่างเงี้ยแบบนี้จะทำให้ได้ความรักพักดีใครที่ไปอยู่ด้วยก็จะจงรักพักดีเพราะเห็นเห็นการวางองค์วางวางวา ง, วางองค์นี่วางได้ดีมากวางพระ อ, องค์ได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็แต่ไม่ได้ขาดยาเกรงเนียไม่ใช่จนกลายเป็นว่าเออจนไม่รักษาสถานภาพเลยเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่อ่อนยอนก็รักษาสถานภาพได้ดีเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ประการที่หกก็คือต บ, ตบะตะปากตะปังตะปังนตะปะนี่อันเดียวกันความทรงเดชตะ บ, บะสัพท์นี้แปลว่าทรงเดชคือแผดเผากิเลสตัณหาเนี่ย ไม่ให้ครอบงำย่ำหยีจิตใจอันนี้แปลว่าไม่เป็นธาตุกิเลส ย, ย้ายความอยากความต้องการความเครียดความโกรธเนี่ยเป็นใหญ่ในใจแต่จัดการได้วังในระงับยับยั้งขม่มใจได้ไม่ยอมให้หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสํำราญและความปลเปื้ออันนี้สําคัญนื้ตปะนี่มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอหรืออย่างสามัญมุ่งมั่นแต่จะบําเพ็ญเพียรทํากิจให้บริบูรณ์โอตรงนี้ต้องให้ทุกฝึกมาอย่างเนี้ย สังเกตให้เห็นชัดว่าเวลาตอนเป็นสมัยเด็กๆพระองค์ก็จะถูกเนี่ยสํเร็จยาหรือบุคคลที่ใกล้ชิดทั้งหลายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็แ น, นะนําำฤๅษีนะก็จะคุณธรรมเหล่าเนี้ยอบรมพร่ำสอนบุคคลที่จะประพฤติตนเองเป็นพระราชามรากษัตริย์ให้สังเกตดูนะว่าเวลาพระ อ, องค์ขึ้นคลองราท่านจะใช้คําพระ อ, องค์จะบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หาชนชาวสยามห็นไนี่ชัดเลยธรรมะก็คือเนี่ยเราจะมีโทษพิราชธรรมก็คือเราไม่จะใช้ใช้ธรรมะเนี่ยนำนะอำนาจตามเนตปะก็คือทรงเดชประการที่เจ็ดก็คืออกโกทะแปลว่าอะไรความไม่โกรธไม่เกลี้ยกลาดดุอำนาจถึงความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความ ก, การกระทาต่างๆผิดพลาดเสียธรรมะไอ้ตรงเนี้ยเห็นได้ชัดก็คือมีพระเมตตาประจำใจสามารถระงับความขุ่นเคืองได้ไอันนี้สาคัญมากมีความรักความป ร, ราถนาดีความเมื่อทอนมีกรุณาสงสารที่จะช่วยพ้นทุกมีมุทิตาพอยินดีกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จเนียตัวเนี้ยคุณธรรมที่ด้านความรู้สึกเนี่ยต้องชัดเลยนะอโกธ วินิจฉัยความและการกระทําด้วยจิตที่ราบเรียบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พัฒนาไปถึงวางใจเป็นกลางได้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงคําว่าตัวของตัวเองสูงก็คือไม่เอ็นเอียงไปหาสิ่งที่ชอบและชังก็คือเป็นไปกับธรรมะมีธรรมะเป็นหลักใจเป็นหลักยึดในการประพฤติปฏิบัติพอเห็นชัดไหมนี่จะเป็นแบลลักษณะอย่างนี้ข้อที่8ปดอวิหิงสาอาวิหิงสัญจะกระด็ ความไม่เบียดเบียนคือไม่บีบคั้นกดขี่เช่นเก็บภาษีขูดรหรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาดไม่หลงระเริงอำนาจจนขาดกรดุณาเพราะอาิหิงสาเนี่ยก็คือเป็นสภาพที่เหมือนในสัมมาสังกปะใช่ไหมจะมีควาว่าเนคข ม, มารสังกปะแล้วก็อัพยาปาทสังกปะอวิหิงสาสังกปะ ตนี้คือไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่คิดเบียดเบียนไม่บีบคั้นไม่กดขี่ไม่ขูดรีดเห็นใจไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยพอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีไปขูดรีดเขาเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วอาณาประชาราชก็เดือดร้อนอยู่แล้วต้องการอยากจะทาอะไรก็ไปใช้แรงงานก็เต็มที่เลยแล้วก็เกณฑ์แรงงานมาเงี้ยกดขี่นั้นไม่ไม่ทาคืออย่างนั้นขาดกรุณา แต่นี่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนหรือลงโทษลงอัชญรแกอนาปัชาราชผู้เพราะอาศัยความอาฆาตเกียรติชังก็ไม่ทําำว้าเราเกียรติคนนี้เป็นกรณีพิเศษจัดการเลยเนี่ยอันนี้นี่ท่านไม่ทํานี่ขาดทษสพิชราชธรรมในข้อคําว่าอาวิิงสาวนั้นเนี่ยการดํำรงตนในลักษณะอย่างเนี้ยดำรงว่าองค์เป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ยอย่างนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการไม่เบียดเบียนและมีสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุณาชัดมาก มีจิตคิดสงสารคิดจะช่วยเขาพ้นจากวัตจุกประการที่9ก้าคือขันติโหนี่ชัดเลยตัวนี้เนะียความอดทนทนหลายอย่างเนะีทนต่อตรากตรำใช่ไหมทนต่อความเจ็บไข้ทนต่อความเจ็บใจอะไรเงี้ยนะในความอดทนตรากตรำเนี่ยถึงลำบากกายและเหนื่อยเพียงไรก็ไม่ท้อถอยถึงจะถูกยั่ว ถูกยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างไรก็ไม่หมดกำลังใจไม่ยอมทิ้งกรณียกิจที่จะบาเพ็ญประโยชน์โดยชอบเนี่ยคันติเรามีข้อนี้ไหมสงไหมตัวเนี้ยถ้าความอดทนเนี่ยสามารถจะข่มความหงุดหงิดได้นความเครียดความกโกรธได้สภาพจิตใจนะั้นมีความมั่นคงสงสดงว่ามีกิตเนี่ยไ ป, ไ ป, ไปมีทั้งด้านคุณภาพด้านนี้เาเรียก ความอดทนในนี้เรียกสมรรถภาพทั้งขันติความอดทนทั้งสติความระลึกกํากับอยู่กับกิจที่ทำอยู่ทั้งสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตทั้งความเกล้ากล้าทั้งหลายเหล่านี้มันจะรวมกันเป็นขันติ <Okay. S 2> ก็คือตั้งหลักจิตของตอนเองไว้ให้ตั้งอยู่บนเหตุและผลไม่ให้หลุดออกเหตได้ผลนะไม่ให้ความโกรธเข้ามาเบียดเบียนไม่ความโลภมาเข้ามาเบียดเบียนไ ม, ค ม, า ม, าไม่ความมัวเมาลุ่มหลงมาเบียดเบียนเนี่ยขันติเนี่ยนะ ความทนทานและทนสภาพจิตใจที่มีความทนทานค่อนข้างสูงตรงนี้สําคัญก็ตัวขันติเนี่ยเป็นหนึ่งในบารมีด้วยใช่ัหมในบารมีสิบตัวขันติเป็นบารมีไหมเป็นบารมีด้วยความอดทนความทนทานของจิตใจสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจของเหตุและผลได้จะเป็นอย่างนี้เนี่ยตัว และก็แนวทา ง, งความประพฤติและการปฏิบัติที่ตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบได้ไม่รู้อํานาจเกิกี่เลยตรงนี้สําคัญมากก็คือการยอมรับได้ด้วยปัญญาเนี่ยสภาพขันติเป็นแบบนี้ก็เลยอดทนมีความทนทานด้วยก็คือว่าเมื่อมีความทนทานสภาพจิตที่มีความแข็งแรงตั้งมั่นแล้วเนี่ยปัญญาก็จะมาอาศัยจิตที่ทนทานและตั้งมั่นเหล่านี้มาทำจิตในการให้วิใช้การทั้งหลายเป็นไปลายเหตุและผล ไอ้ตรงนี้เป็นข้อข้อด้านสมรรถภาพของจิตและจิตไม่ทุกเป็นไปกับความสุขเลยนะข้อที่สิบก็คืออวิโรธนะอวิโรธนะังความไม่คลาดธรรมะก็คือวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มีความเอ็นเอียงวันไหวเพราะถ้อยคำที่ดีร้ายดีก็ไม่เอยงไปหาร้ายก็ไม่เอยงไปหานี่ตั้งอยู่ในธรรมะ ลาบสกาละทั้งเป็นทั้งอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีเพื่อเพลินน่าชอบใจอนิธารมที่ไม่น่ายินดีไม่น่าเพื่อเพลินไม่น่าชอบใจจิตจะตั้งอยู่ในธรรมะไม่เองไปหาไม่ไปหมกมุ่นกับอิทธารมไม่ไปเครียดแค้นชิงชังกับอนิธารมสถิตมั่นอยู่ในธรรมะทั้งในส่วนของยุติธรรมก็คือความเที่ยงธรรมมีทั้งนิติธรรมประพฤติตามนิตินิติธรรมเด้อ ก็คือระเบียแบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สังเกตดูนะว่าพระบบบเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านจะปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีตามนิติธรรมราชนิติตลอดถึงตามกฎหมายตามกฎมนเทียนบาลแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญเออมีอยังไงท่านปฏิบัติตามนั้นเลยแล้วก็ไม่ให้คลาดเลยไม่คลาด ไม่เอ็นดียงเดอยนะไม่เอียงเนี่ยมัยม่นคงอยู่ในลักษณะอวิโรธนังเนี่ยนี่ก็คือว่ามีความประพฤติไม่เคลื่อนคาดไม่ให้เสียหายไม่ให้วิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าราชธรรมสิบประการหรือทศพิษ ร, ร, ราชธรรมเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดูว่าที่พระบาทสมเด็จพระเาหัวเนี่ยท่านเป็นที่รักของปวงชนเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรทารับมรดก ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็บอกไว้เอามาประพฤติปฏิบัติพอประพฤติปฏิบัติปุ๊บก็ทําให้ได้เป็นที่รักของมวลมหาชนและอีกอย่างหนึ่งนีสิ่งที่ท่านทําก็คือจักรวัดดีวัตรสิประการอันนี้วัตปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเลยท่านก็เอามาประพฤติปฏิบัตินะเป็นจริยาวัดของพระเจ้าจักรพรรดิก็บําเพ็ญประโยชน์สม่ําเสมอทำเนียรเป็นการบําเพ็ญของพระราชกรณีกิจเนี่ยทั้งหลายเนี่ย ของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรท่านก็นํามาลักษณะเนี้ยถ้าใครทําได้ก็ยิ่งใหญ่เขาเราียกเป็นนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่นี่พระเจ้าก็สอนไว้หลักการก็คือหนึ่งธรรมมาทิปไตยาเห็นไถือธรรมะเป็นใหญ่เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรมะยึดธรรมะเป็นหลักเป็นธงชัยเป็นธรรมมาธิปไตยาถือธรรมะเป็นใหญ่เนี่ยโอ้โหถื อ, อยากเพราะธรรมะเนี่ย ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นว่าละไหนควรจะเจริญเมตตาก็เมตตาในยามปกติก็เจริญเมตตาถือถือเมตตาเป็นใหญ่ไม่ได้ถือบุคคลเป็นใหญ่ในยามที่บุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็ถือกรุณาเป็นใหญ่สงสารคนกว่าดช่วยเหลือ น, นี่ยในยามใดที่เห็นคนประสบความสําเร็จก็ถือมุทิตาเป็นใหญ่สนับสนุนเกือ้อหนุนส่งเสริม ในยามใดที่จะรักษาระเบียบกติกากฎเกณฑ์นะก็ถืออุเบกขาการวางใจเป็นเป็นใหญ่ทำตนเองดุตาชูดุตช่างเวลาท่านจะให้โอวาทแก่ผู้ิภิากษาโอท่านจะเน้นมันทั้งเจดโดยเผู้อภิปากษาที่จะมาถวายสัตว์ที่จะไปทำหน้าที่ต่างประเทศพักัเนี่ยต้องถือหลักเกณฑกฎเกณฑ์กติกา ให้เป็นไปกับธรรมะไม่เอ็นเอีงไม่มีอคติไม่ไม่ตัดสินด้วยฉันทากติเพราะรักโทรศักติเพราะโกรธโมหกติเพราะไม่รู้พยาคติเพราะกลัวใช่ไหมขจัดอคติออกตั้งอยู่ในธรรมะเป็นธรรมาริวตยไอตรงนี้ลายละเอียดเยอะประการต่อมาคือธรรมิกขารคขาธรรมิกาธรรมิกะรักขาหรือธรรมิการักขาคื อ, ika, าาคอจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรม และก็เป็นธรมรมนะท่านก็แยกนะคุ้มครองใครบ้างอันโตชนะก็เกิแก่ชนภายในตั้งแต่คุ้มครองพระมเหสีราชาโอรสราชธิดาจนถึงผู้ปฏิบัติราชาการในพระองค์ทั้งหมดก็คือคนในปกครองส่วนตัวตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไปโดยการให้การบำรุงเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเป็นต้นให้อยู่โดยเรียบร้อยสงบสุขและมีความเคารพนับถือกันและกั น, นเนี้ยก็แบ่งออกมาจากเนี้ย พันโตชนะสองพระกายก็คือแก่กองทัพก็คือปวงเสน า, ข, าข้าราชกาทหารเออข้าราชการป่ายทหารทั้งหลายเหล่านี้ก็ดูแลนะให้จัดการป้องกันดูแลคติยะก็คือแกกษัตริย์ทั้งหลายถ้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยท่านจะดูแลตรงนี้ด้วยเช่นพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยท่านจะมีจักรวัดิวัตเนี่ยคุณสมบัติของการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านปกครองทั้งโลก อันก็ไปกษัตริย์ทั้งหลายที่ที่อยู่ภายใต้ปกครองผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพเจ้าเมืองขึ้นปัจจุบันก็ส่งเคราะห์ชนชั้นปกครองนักบริหารผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่นแหละข้าราชาการฝ่ายปกครองก็ดูแลประการต่อมาอนุยนก็คือแก่ผู้ตามเสด็จคือราชบริพารทั้งหลายปัจจุบันก็ส่งเคราะห์เข้ า, ขากับราชาการฝ่ายพเลเรือนทั้งหมดเนี่ยดูแลในอาาัลกขา ประการต่อมาคือพรามมณะขันบดีชนเจ้าพิธีเจ้าตำราพ่อค้าเจ้าไรเจ้านาหรือครูอาจารณ์วิชาการเนี่ยหมอพ่อค้าผูา้ประกอบวิชาชีพต่างๆงเกษตรกรด้วยการช่วยจัดหาทุนอุปกรณ์เป็นต้นอันนี้ก็ว่าไปแล้วก็เนคมะชาณะปัปทะก็คือแก่นิคมชนบทก็คือราษฎรทั้งปวงทุกท้องถิ่นตลอดถึง ชายแดน ท, ทั่วไปก็ต้องดูแลสิ่งนี้ขาดไม่ได้ข้อนึงคือสรรมณะพรามก็คือแก่พระสงฆ์และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมทั้งหลายต้องดูแลอัลกขาต้องอัลกขานะีแล้วก็มีขปักสีก็คือแก่เมลคะปักสีคื อ, คอสัตว์อันควรสงวนทั้งหลายนี่หน้าที่ของพระราชาเออประการต่อไปก็คืออาธรรม อธรรมการันตนี้เสถนาคือห้ามกัน้นมิให้มีการอันเป็นอธรรมมเกิดขึ้นในพระราชาณาเขตก็คือจัดการป้องกันแก้ไขไม่มีการกระทําผิดความชั่วร้ายความเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านด้วยนี่หน้าที่หรือประการต่อมาธนานุปทานะปันทรัพย์เฉลี่ยทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์มิให้ขัดสนยากไรในแว่นแควนเกิดมีการขัดสนมาช่วยเหลือแป่งปั น, ปน ประการต่อมาก็ปริปุจชาก็คือปรึกษาสอบถามสมณพราหมณ์นี่ที่ปรึกษาสําคัญไหมหรือคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบผู้ไม่ประมาทมัวเมาอยู่เสมอตามกาณอันควรสแสวงหาข้อมูลความรู้มีที่ปรึกษาที่ดีจะ ร, รู้ชัดว่าอะไรดีอะไรชั่วควรประกอบหรือไม่ควรประกอบเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเนี่ยอย่างถูกต้องวินิจฉัยสั่งการทั้งหลายมีบัณฑิตมีนักวิชาการที่ทรงธรรมต่างๆเหลา่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นให้ให้คําปรึกษา สรุปตรงนี้ก็คือเนี่ยเรียกจากกวติวัตมาในจากกวติวัตนมาในจักววจกวติสูตรทีนี้พอมาในจักกวติสูตรเนี่ยตามที่อ้างในพระบาลีหรือพระไตรปิฎกท่านไม่ระบุจํานวนหัวข้อไว้แต่มานับที่ตรัสไว้ตามอัตกถาท่านมาขยายความก็ไว้เป็น12ข้อนะอัตรกระถาในพระสูตรในทีขัณกายนีย่ท่านก็จัดแบ่งว่าเป็นอันโตชนัสหมิง พระกายยศมิงทรงเคาะชนภายในแล้วก็กองทหารเป็นต้นประการที่สองก็ทรงเคากษัตริย์เมืองขึ้นทั้งหลายประการที่สก็ทรงเคาะเหล่าเชื้อพระวงศ์ผู้ตามเสด็จในราชเป็นราชบริบาลประการที่4ี่ก็คุ้มครองสมณพราหมณ์ขณมดีทั้งหลายประการที่หก็คุ้มคลองราชฎรพื้นเมืองทั้งหลาย6 ก, ก็คุ้มครองเหล่าสมณพราหมณ์7ก็คุ้มครองเนื้อนกเที่เอไว้สืบพันธ์ สัตว์เนี่ยสัตสงวนแปดก็ห้ามปลาไม่ให้มีการประพฤติอันอันผิดธรรมะเก้าก็ทานกบินรุงผู้ขัดสนไรรัยสิบก็เข้าไปหาและสอบถามปัญหากับสมณาพร า, บ, าบ่อยๆสิบเอ็ดก็เว้นความกำหนัดในกามโดยการไม่เป็นธรรมะผิดธรรมไม่ทํา1สิบสองก็เว้นโลภที่กล้าแล้วก็ไม่เลือกควรไม่ควรเลือกนะอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ย ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่มาไล่ให้ฟังตามลำดับแต่สิ่งที่จะมากล่าวในวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของสังขารวัตถุของผู้ปกครองแผ่นดินเขาใช้คำว่าราชาสังขารวัตถุศีน <laughs> เออราชาสังขารวัตถุศีมาที่มีที่มาอย่างนี้ เดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของในแฟนแฟนมคตในกูฏาธันตสูตรเนี่ย <c oughs> จะพูดถึงว่าในเรื่องของกูฏาธันดพราหมณ์แฟนมคตเนี่ยเป็นแคว้นใหญ่ในบรรดาเจวควแนอังฆามากะทะนี่แหละในสมัยข้าวุฒิการเออในในพระสูต ร, ตรนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของการบูชายัญเข้าไว้ และการบูชายันเนี่ยเป็นยันนวิธีวิธีบูชาบวงสรวงอันยิ่งใหญ่ของ <c oughs> ของพรามแต่โบรณาณการนะที่เขาทำกันมา <c oughs> เขาเรียกเคยเคยรู้เรื่องการบูชายันสมัยก่อนมั้ยมีวิธีอยู่ 4-5 วิธี 1. นพิธีอัสเมธะอัสเมษสัตว์สเมธหรืออัสเมธเนี่ย มีการเช่นสวงโดยการมีการฆ่าสัตว์ทั้งหลายฆ่าม้านี่เองฆ่าม้าเป็นต้นเน่ยบวงสวงยันน่ยแล้วต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาใช้อีกอย่างหนึ่งมันเรียกว่าสัตสเมทะก็คือการสงเคราะห์ อ, อนาปชาล่าให้อยู่ดีกินดีใช่ไหมแต่ก่อนจริงๆเนี่ยพวกพราหมณ์ก็ทําวิธีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยในสูตรเนี่ยก็เจ้าแผ่นดินเนี่ยจะทําพิธีเนี่ยแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ไปห้าม ในหวิธีเอกการฆ่าสัตว์บูชายันก็เรียกวิธีอัศเมทะฆ่าม้าบูชายัญบางทีก็มีวิธีแปลกๆในฆ่าม้าบูชายัญสมัยก่อนบางทีก็จะเอามา้าเป็นมา้ามาที่นั่งอะไรก็แล้วแต่ปล่อยไปแล้วก็จะมีทหารตามไปมาไปที่ไหนเขาก็จะท้ารบคนที่นั่ น, นจนชนะจนมาไปแล้วก็กลับมาก็เอาม้าตัวนี้มาทําวิธีฆ่าอย่างนี้เป็นต้น ที่สพิธีที่2ก็เรียกว่าพิธีปุริสเมทะคือข่าบุรุษเป็นเครื่องบวงสวงเนี่ยข้าบุรุษแต่มาพระรู้เจ้าก็มาใช้เป็นปุริสเมธะการส่งข้อข้ า, ข า, าราชการเนี่ยเวชการข่าก็อเลยับเนี่ยมาใช้พิธีที่3ามเาเรียกว่าสัมมาเปสะก็คือพิธีเส้นสวงโดยการขว้างลิ่มสลักเพื่อเลือกพื้นที่ในการ ทำการบูชายันก็ใช้สลักขว้างไปว่าไปตกตรงไหนก็เอาที่บริเวณนั้นเป็นที่การฆ่าฆ่ามา้าฆ่าช้างฆ่าอะไรอย่างม้า500 8 7 0 0เยไก็ว่ากันช้าง5 0าร0ไก่เลยแพะแกะจนถึงมนุษย์ด้วยเนียปุริสเมธานี่ฆ่ามนุษย์เลยเนืบูชายันก็ถ้าทำวิธีอย่างนี้แล้วจะทำให้ยิ่งใหญ่ให้พวกนี้รับบาปเคาะไปเงี้ยแทนเงี้ย แม้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในแถวเนปาลในแถวอินเดียบางที่ยังมีอยู่พิธีกตรมาวุทรเจ้าก็มาเปลี่ยนนะคำว่สมมาสัมมาเปสัมมาเปสาก็มีการส่งข้อด้วยการเรงินเงินทุนไม่คิดดอกเบีย้ยทั้งหลายเหล่านี้ประการที่สี่ก็คือพิธีวาชเปยยะวาชเปยยะก็คือพิธีเส้นสวงโดยการมีการดื่มเนยใสยที่ปรุงด้วยด้วยอนาจของเวทมนต์ เป็นเครื่องบวงสวงยันดัดเนี่ ย, ยว่าเปะยะต่อมาพระพุทธเจ้าเขามาใช้เป็นสังหาวัตุเรียกว่าวาจาเปยยะการส่งเคาะคนทั่วๆไปด้วยคำพูดที่น่าฟังประการที่5กัก็พิธีนิราาักหะหรือนินรักคาระก็คือพิธีเส้นสวงโดยการถอดริ่มสลักออกจากยุ้งฉางทั้งหมด ก็คือมีทรัพย์เท่าไหร่ก็เอาออกมาเส้นสวงให้หมดเลยเอามาบูชาทั้งหมดเลยยันนี้ต่อมาก็มาดัดแปลงเป็นสังหา น, นิรักรากรก็คือประเทศที่ถึงพร้อมด้วยการส่งเคราะห์ราศดรจนชาวบ้านไม่ต้องไม่ต้องปิดประตูโรงกอนเพราะไม่มีการไม่มีเจรกรรมก็คือว่าเหมือนยุคของพระเจ้าแผ่นดินที่พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ย ไม่ต้องเลยไม่ต้องปิดปไม่ต้องไม่ต้องธมากินกันเลยอาศัยบุญของพระราชาอยู่ได้เลยอย่างเช่นว่าพระเจ้ามันทาตุราชก็ดีพระเจ้าหรือว่ามหาสุทัศนะเนี่ยกลุ่มนี้เขาเลี้ยงคนได้บุญของท่านเนี่ยเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศฉะนั้นพอมาดูในด้านของสังขาวัตถุของผู้ปกครองแผ่นดินเนี่ยพระราชาสังขาวัตถุสี่ สังารวัตถุของพระราชาหรือทําเครื่องยึดเหนียวจิตใจของอนาประชาราษฎร์แล้วจะเห็นชัดเลยเนี่ยพระ อ, องค์มีตรงนี้หลักส่งข้อประชาชนหนึ่งสัตสเมธาดังที่ได้กล่าวความฉลาดในการบํารุงพืชพันธุ์ัญญาหารนี่ส่งเสริมเกษตรกรนีการเกษตรนี่ชัดเลยใช่ไหมเราจะเห็นชัดเลยว่าพระบาทสมเด็จเจ้า่หัวองค์รัชกาลที่เกเนี่ยท่านท่านท่านมีข้อนี้สูงมากในการไปเปลี่ยนจากชาวเขาที่ทําฝิ่นเนาะมาปลูกผักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย แล้วก็จนสามารถทําให้เขาเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนสถานที่ตรงนั้นได้จริงๆด้วยเนี่ยเเราจะเห็นทั้งภาคใต้ก็ไปทั้งภาคอีสานก็ไปสร้งภูริสเมธาก็คือความฉลาดในการบารุงราชการรู้จักส่งเสริมคนดีคนดีคนมีความสามารถนะท่านจะตรัสบอกว่าเราไม่สามารถจะทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีได้ทั้งหมดแต่การปกครองที่ดีนั้นคือการเอาคนดีขึ้นมาปกครอง อยากให้คนไม่ดีมามีโอกาสขึ้นมาปกครองี่หลักการตรงนี้นะฮะดีว่ายังไงก็ไปว่ากันทีคำว่าดีตรงนี้ต้องมาพิจารณาอีกทีนะไม่ใช่ดีตามทฤษฎีแต่ดีตามคุณธรรมจริงๆประการที่สมก็คือสัมาเพสาก็คือรู้จักผูกประสานร่วมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพเช่นให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรมเมืองเกษตรกรรมเป็นต้นอะเนี้ยนะเนี่ย รายละเอียดต่งางๆแล้วก็ประการต่อมาคือวาชเปยยะหรือวาจาเปยยะก็คือความมีวาจาดูดดื่มน้ำใจน้ำคำควรดื่มก็คือรู้จักพูดรู้จักปลาใัไพเลาะสุภาพนุ่มนวลประกอบด้วยเหตุผลมีประโยชน์เป็นทางแห่งสา ม, มคัคคีทำให้เกิดความเข้าใจอันดีในความนิยมเชื่อถือเป็นต้นด้วยฉะนั้นราชะ สังหวัตถุทั้งสี่เนี่ยเป็นคําสอนในพุทธศาสนาส่วนที่แก้ไขปรับปรุงคําสอนในศาสนาพราหมณ์เนี่ยใช้ศัพท์เดียวกันนี่แหละดังที่ได้กล่าวเนี่ยเหมือนอัศเมทะการฆ่าม้าบูชายันั่นก็มาใช้เป็นสัตสเมทะความฉลาดในการบำรุงพืชทันตญญาหารปุริสเมทะฆ่าฆ่าคนบูชายันั่นก็มาใช้เป็นปุริสเมทะความฉลาดในการบำรุงข้าราชการสัมมาเปสาก็คือ ยันคือการสร้างแท่นบูชาที่คว้างไปเน่ยอดบ่วงไปไปหล่นในตรงไหนทำที่ตรงนั้นเป็นแท่นบูชาท่านก็มาใช้สมาเปสาก็คือรู้จักประสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพว่าจะไปยะการดื่มน้ำพลังหรือเพื่อใช้ชนะท่านก็มาใช้เป็นการกล่าวว่าจาไะไผเลาะรู้จักน้ำคารู้จักคำพูดส่วนคำว่านิรักละหรือ สัพเมทาก็คือยันที่ไม่มีริมสลักก็คือทั่วไปก็คือไม่มีขีดขั้นจํากัดการฆ่าครบทุกอย่างบูชายันเนี่ยท่านก็มาใช้ในลักษณะการว่าดูแลอนาประชาราชโดยไม่ต้องทํามากินมหายันห้านที่พระราชาพึงบูชาตามหลักศาสน า, าพราหมณนี้พระเจ้าสอนว่าเดิมทีเดียวเป็นหลักการส่งข้อที่ดีงามนะ พระเจ้าสอนว่าแต่พวกพราหมณ์สมัยหนึ่งอ่ะมาดัดแปลงเป็นการบูชายันเพื่อผลประโยชน์ในทางลาบส ก, การลาของตัวนี้ก็เลยมาเปลี่ยนแท้จริงแต่ก่อนดีอสัสมทธาปุริสมทธาสัมมาเปสาวาชเปยยะนิราคระเนี่ยห้าประการเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นดั้งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยพวกพราหมณ์ก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง เพราะว่าถ้าหากทําวิธีแบบนี้ล้เช่นฆ่าม้าบูชายันฆ่าช้างบูชายันฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างละเจ็ดร้อยแเาร้อยเนี่ยโอ้ใครได้ประโยชน์พวกนี้ก็ได้ดื่มได้กินได้เครื่องเส้นใช่ไหมฆ่าคนบูชายันก็คนที่ตัวเองไม่ชอบให้จัดการนีตลอดถึงมาสร้างแท่นบูชาทั้งหลายเหล่านี้การดื่มพลังเพื่อใช้ชนะแล้วก็เป็นการมิลาคลาก็คือการฆ่าทุกทุกครบทุกอย่างเนี่ยพ้ประโยชน์ของพวกพราม์ทั้งนั้นเลย ผลประโยชน์ก็คือเพื่อตอนเองได้ทําพิธีเป็นเจ้าพิธีก็ได้ราคาตอบแทนสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็จัดการคนที่ตนเองไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เ น, นี่นะคนวันหนอื่นคนที่ตนเองไม่ชอบเนี่ยมันเรื่องผลประโยชน์ลว้ลวนๆเลยเนี่ยพวกพราหมณ์มาดัดแปลงแต่ก่อนนั้นดีแต่ก่อนเป็นเรื่องของการบํารุงอนาประชาราชของผู้ปกครองประเทศเป็นต้นเหล่านี้แล้วต่อมาพระเจ้าเขมาสอนกลับพราหมณ์สมัยนั้นดัดแปลงบูชายัญเพื่อผลประโยชน์ในทางลาบสกการ์ละ ความหมายที่พึงต้องการซึ่งพระพุทธเจ้าสั่งสอนสี่ข้อแรกเจนข้อที่5ตามหลักสังขาวัตถุเนี่ยว่าเป็นผลก็ปแปลว่าไม่มีริ่มกรก็หมายความว่าบ้านเมืองจะสงบสุขไร้โจรผู้ร้ายก็ไม่ต้องหวาดระแวงกันบ้านเรือนก็ไม่ต้องลงกรไม่ต้องปิดประตูใช่ไหมในหลักการอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็คือเครียกสังขาวัตถุสังขาวัตถุราชาสังขาวัตถุสนีอันนี้ก็คือหลักหลักการประคอง ทีนี้ถ้ามองอหลักการตรงนี้ให้เห็นเราก็จะสามารถได้เข้าใจว่าการเป็นที่รักของอนาประชาราชเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากอ๋อการที่พระ อ, องค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนที่พระเจ้าทร ง, สงสแสดงไว้แล้วท่านก็เอาธรรมะเนี่ยเอาไปประพฤติปฏิบตัติพอธรรมะมือพอทาเหตุที่เป็นไปกับว่ารมผลก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็ น, นมีคนรัก มีคนเคารพมีคนนับหน้าติตาแล้วก็มีคนยกย่องโทวีเดชเลยใช่ไหมแล้วจะเห็นชัดเลยเนี่ยนี่หลักสังขาวัตถุถ้ า, าเป็นสังขาวัตถุโดยทั่วๆไปก็มีหลักทานคือการให้ปิยาวาจาหรือปิยาวัชชะอันเดียวกันอัตจริยาสมาณะ ต, ะตาตาเป็นต้นการวางตนที่เหมาะสมพรจะมองเห็นได้ยังตอนนี้ยหลักเกี่ยวในเรื่องของที่พูดมาเนี่ย ในเรื่องของสังหาวัตถุในหลักของสังหาวัตถุที่ทรงประพฤติปฏิบัติเนี่ยราชาสังหาวัตถุดังที่ได้กล่าวเนี่ยก็จะเห็นเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ผลก็จะเกิดทั้งคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่ในองค์ของพระมหากรย์แล้วก็จะสังเกตนะึนึงราชาสังขาวัตถุส 2. สองทศพิธราชธรรม1ิ 3จากวัดิวัตสิบสกี่ข้อเห็นไหมธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติแค่นี้แหละโอ้โหผลยิ่งใหญ่มากจากคำเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงบอกว่าสอนเยันพระราชาหรือพระเจ้าจักรพรรดิอันนั้นเน่ยคือเขาเรียกว่าธรรมะมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใครประพฤติปฏิบัติหรือรับอมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วเนี่ยเอาไปประพฤติปฏิบัติ อย่างจริงจังผลของการปฏิบัติก็จะเกิดนะที่เราเห็นในชัดก็คือจริงๆแล้วเกิดขึ้นกับตนเองคุณธรรมที่เกิดขึ้นในตอนนะอย่างในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวนะคุณธรรมเกิดเต็มเลึกนะสภาพทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาเต็มเปี่ยมไปหมดเลยฝนพลอยได้ก็อนาประชาราชทั้งหลายในประชาชนทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์อย่างกว้างใหญ่มหาศาลเลย เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเนี่ยเมื่อเราเห็นสภาพตรงนี้ได้ชัดขึ้นแร้จริงๆก็คือมองเวลาจะมองเข้าไปเนี่ยก็ต้องมองเห็นธรรมะถ้าไปมองติดองขึ้นมาเนี่ยไปๆมาๆก็ไม่เห็นคุณธรรมภายในเราก็จะไม่ได้ไประโยชน์ถ้าเราสามารถมองเจาะเข้าไปเห็นพระธรรมดังที่ได้กล่าวก็คือเห็นทศพิตรราชธรรมดังที่ได้กล่าวเนี่ย ในองค์ของพระราชาก็จะเห็นทานคือการให้การสละวะตัตถุสิ่งของการบำรุงเลี้ยงการช่วยเหลือนาประชาระก็เห็นตัวทานดึกโอ้เนี่ยพระธรรมไหลยอยู่ในกระแสชีวิตของพระองค์เห็นศีลคือความประพฤติดีงามเรียบร้อยทั้งด้านกายวาจาทั้งหลายประพฤติสุจริตทั้งหลายก็จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าในนั้นเราเห็นบริจาคาคือการบริจาคการเสียสลาความสุขความสำราญต น, ต น, ตนเองเพื่ อ, เ พ, อเพื่อความสุขไวนาประชาละเห็นอัชวังคือความซื่อตรง เห็นมัทหวางคือความอ่อนโยนเห็นตะปะคือความทรงเดชเห็นอะโกธาคือความไม่โกรธเห็นอวิหิงสาคือไม่คิดเบียดเบียนเห็นขันติคือความอดทนอดกลั้นเห็นอวิโรอวิโรธนังก็คือเห็นความไม่คลาดจากธรรมะวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมะก็จะเห็นคุณธรรมตรงนี้ในในองค์ของพระพราชาพอเข้าไปเห็นธรรมะตรงนี้ปุ๊บสภาพจิตใจของเราเราก็จะเห็นว่าอ๋อที่พระองค์เนี่ยมีความงดงามอย่างเนี้ย รธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้งามเห็นไหมขนาดท่านรับมรดกของพระพุทธเจ้ามาใช้จริงๆเนี่ยยี่สิบหกข้อยี่สิบหข้อยังมีความงดงามขนาดนี้ยังมีความงามยังมีความรุ่งเรืองยังเป็นที่รักแก่อาณาประชาราชได้เพียงนี้เราบอกโอ้โหเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหตุทําให้เราว่าธรรมะเนี่ยทำให้มนุษย์งดงามจริงๆ ถ้าใครสามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็จะมีความงดงามงดงามอย่างยิ่งใหญ่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นใช่ไหมโดยเฉพาะคือเราจะเห็นกำลังพละหรือกำลังเนี่ยทมันเป็นกำลังเนี่ยทมันเป็นพลังที่ทำให้ดาเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นตอบภัยและทุกข์ทั้งหลายอะไนี้หนึ่งปัญญาพลังน กำลังคือปัญญาเราจะเห็นชัดว่าออจากการที่ทรงศีลทรงธรรมเนี่ยจากการหมั่นสอบถามสัมนาชีพราม์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าบุคลคลค้นคว้าในคําสอนของพระพุทธเจา้าก็จะมีปัญญาพลังกําลังของปัญญาค่อนข้างชัดเด่นละเอียดถี่ถ้วนวินิจฉัยทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ได้ตรงนะรู้เหตรุรู้ผลทั้งหลายเป็นต้นประการต่อมาคือวิริยะพลังคือกําลังแห่งความเพียรด้วยความบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ท้อถอย คนทางยากลําบากยังไงก็ดําเนินไปประการที่3อนัวชะพลังก็คือกําลังแห่งความสุดจริตกาลังความบริสุทธิ์ตามศัพท์ก็แปลว่ากำลังแห่งการทําที่ไม่มีโทษกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่บริสุทธิ์นี่แหละมีความประพฤติและมีหน้าที่การงานที่สุดจริตไม่มีข้อบอกพร่องเสียหายพูดจริงมีเหตุผลมุ่งดีไม่รุกรานให้ร้ายใครทําการด้วยเจตนาบริสุทธิ <c oughs> ์เราเห็นชัดไหมตอนนี้อนัวชะพลังกําลังแห่งความบริสุทธิ์ แล้วก็สังคหะพลังเนี่ยเห็นชัดกำลังแห่งการส่งคะห์การยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคีเราจะเห็นชัดเลยนะตอนที่ทรงมีเหตุบ้านเมืองจะายก็ระงับก็เะขนาดมีการโอ้โหจราจนในปีส5ห้เห็นชัดเลยเรียกมาเลยพระองค์ก็เรียกมาเลยเนี่ยเนี่ยเรียกผู้นำมาสงบราบ้าบมาเมื่อวานนี้ต่อสู้กันอยู่โห เขียนค่ากันอยู่อีกวันหนึ่งยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกหลังก็งงเลยนี่อะไรเป็นไปได้ยังไงเงี้ยเนี้ยลักษณะเนี้ยกำลังอย่การส่งเคราะห์ทานเนี้ยการให้ปันค่อยเหลือในด้านทุนหรือปัจจัยตลอดถึงเพื่อแผ่ไม่ตีด้วยอย่างเลิอก็คือธรรมทานแนะนำสั่งสอนให้รู้ให้เข้าใจพึ่งตนเองได้ ปิยวัชาก็พูดจับใจปิยวัจาด่งที่กล่าวมาเนี่ยรู้จักพูดให้เป็นผลดีทาให้เกิดความน่าเชื่อถือสนิทสนมเคารพรับถือเนี่ยแล้วก็อัตจริยาก็บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือรับทําประพฤติที่เป็นประโยชน์อย่างเลิศ ก, ก็คือช่วยส่งเสริมคนให้มีความเชื่อที่ถูกต้องเป็นศรัทธาสมบัติประพฤติสิ่งที่ดีงามเป็นศีลสรมสมบัเสียสละก็เป็นจาค้าสมบัตให้มีปัญญาก็เป็นปัญญาสมบัา สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสมานัตตาเนี่ยมีตนเสมอเนี่ยเสมอภาคไม่เอาเปรียบไม่ถือไม่ถือว่าสูงต่งตำาร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยอย่างเลิอหมายถึงเสมอกันโดยธรรมะเนี่ อ, อในรักษณะอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ากำลังของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยพระพาหาพรละ กายยพระกําลังแขนกําลังกายคือความเข้มแข็งมีสุขภาพดีอันนี้ก็สําคัญนะชำนาญในการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ตลอดถึงมียุโทโธปกรณ์ พ, พร้อมพร้อมนี่ยประมากสักระกำลังก็มีห้าทิวิจารเสด็จสองผู้ค้าพลังก็คือกําลังของโภกทรัพย์มีทุนทรัพย์ที่บริบูรณ์พร้อมที่จะใช้บํารุงเลี้ยงคนดําเนินกิจการได้โดยไม่ติดขัดอมัจจ่าพลังก็คือกําลังแห่งอมาตะก็คือกําลังข้าราชการที่ปรึกษาในระดับ ผู้บริหารทั้งหลายที่ทรงคุณวุฒิเก่งกล้าสามารถจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินอภิชชาจากพลังก็คือกําลังแห่งชาติสูงก็คือกําเนิดในตระกูลสูงเป็นขัติญาชาติด้วยความนิยมเชิดชูข้ามาชนและได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีตามวบราราชประเพณีสุดท้ายก็มาปัญญาพลังเนี่ยกำลังปัญญาปีชายานั่นเองอย่างรู้เหตุผลผิดชอบประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งภายในภายนอกได้ ดําเหล็กการต่างๆได้อย่างดี น, นี่กำลังแขนกําลังกายเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเรามองงนี้ก็จะเห็นในในองค์ของพระเจ้าวินดีนะที่เราเห็นกําลังทั้งหลายเหล่านี้นเมื่อเราประพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลอย่างนี้แล้วจะได้เข้าใจนั้นสถานการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พอเกิดการสูญเสียปุ๊บก็เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือ ตรงนี้เราก็จะต้องแยกแยะมีโดยเฉพาะเราเป็นนักบวชเนี่ยเวลามีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็ต้องหัดเป็นนักวิเคราะห์ใช่เออว่าทำไมมนุษย์เรามีความต่างนี่คนคนเดียวเนี่ยเกิดมาทำให้โลกสะเทือนสถท้านได้หวัน่นไหวได้จากความสามารถจากความรู้จากการประพฤติธปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมะ ทั้นธรรมะในระดับศีลธรรมะในระดับสมาธิธรรมะในระดับปัญญาที่มีอยู่ในองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพระพุทธเจ้าเราจะเห็นจริงๆถ้ามองลึกๆ ล, กลงไปเราจะเห็นความงดงามของพระพุทธคุณเนีเราจะเห็นว่าโหพระพุทธเจ้าเนี่ยพระราชทานเขาเรียกว่าธรรมะมรดกเนี่ยส่วนเนี้ยให้เนี่ยหรือมีใครก็แล้วแต่เหมือนกับเราหรือท่านทั้งหลาย ถ้าสามารถเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงบอกกล่าวเนี่ยเอามาเข้ามาเป็นกระแสะชีวิตมาเป็นเนื้อเป็นตัวได้เอามาเป็นคุณธรรมประจําใจประจําชีวิตจิตใจได้ก็บริบูรณ์อันนี้ขนาดโลกย่ธรรมเนี่ยยังขนาดที่นะถ้าผกปวนพัฒนาตนเองจนถึงโล ก, กุตละธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกข์ได้จักยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมองให้ออกอย่างพวกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเออเนี่ยหนึ่งทางด้านของพฤติกรรม ใชด้านกุศลศีลที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมมาชีวะที่เป็นส่วนขององค์มรรคเนี่ยเออเราสามารถนํามาไว้ในกระแสชีวิต จ, จิตใจเราได้ดีพอไหมหรือสามารถทําให้มันเกิดได้จริงไหมในสภาพชีวิต จ, จิตใจถ้ายังไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยมรดกระดับศีลขั้นพื้นฐานเราก็ยังไม่สามารถเอามาเอามาบริโภคเอามาใช้สอยเอามาให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆริงเนียนะถ้าสัมมาวาจาเกิดได้จริงเนี่ย ก็สามารถที่จะละมิฉาวาจาได้ใช่ไหมมีเจตนาความจงใจตั้งใจที่จ ะ, จะเจริญสัมมา ว, วาจาละการพูดเท็จกล่าวคำสัตว์คำจริงละการพูดส่อเสียดพูดคำที่สมัรสมานสามะคีใช่แต่ในขณะนั้นเนี่ยมีเจตนานะีกระตุนต้นเนตะือนนแล้วมีความสุขด้วยนะสภาพจิตใจดีด้วยนะเพราะมาจากจิตที่มีพลังละคาหยาบพูดวาจาอ่อนหวาน พูดคำไพ่ล้ะหน้าฟังเป็นคำของชาวเมืองลาเพอเจอร์พูดจะมีหลักการมีเหตุและผลเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าสัมมาวาจาเนี่ยเอามาใช้ได้จริงไหมในชีวิตสมากรรมตละล่เว้นค่าสัตว์นจริงอยู่สภาพจิตใจเป็นยังไงใจดีไหมใจที่เป็นไปกับความไม่โกรธไม่อาฆาตไหมละการลักทรัพย์นสละและให้แบ่งปันเนี่ยเนยเออเป็นอย่างนี้ไหม และการประพฤติผิดใกรรมเนี่ยมีการถือพรมอาจารย์ที่ชัดแล้วก็อาชีพที่เราดําเนินกระแสชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถใช้สัมมาวาจาสัมมากรรมตาและสัมมาชีวะเนี่ยให้มาเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตจิตใจใช่ไหมแล้วก็เป็นกายก็สะอาดวาจา j a ก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์นั้นมาจากคุณภาพจิตใจนิดด้านจิตใจแหละสัมมาวยมามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพียรในการที่จะละ บ, บาปใช่ไหมสติก็คือกํากับอยู่กับตัวสมาธิก็คือความตั้งมัน่น มีทั้งคุณภาพสมรรถภาพทั้งความสุขไอ้ตรงนี้มันทำไมเราเข้าไปถึงด้านจิตใจเนี่ยเป็นปัญหาไหมด้านคุณภาพด้านพรหมวิหารเมตตากรุณาเมตตาก็เดินไม่ได้เข้าไม่ได้อันนี้แปลว่าในชีวิตจริงเราเราเข้าไปถึงตรงนี้เออวันหนึ่งวันหนึ่งแแต่และ ว, วินาทีเนี่ยเราเพียรพยายามจะให้สภาพชีวิตจิตใจเราเข้าถึงเมตตาไห เาองนั่งอยู่ลองเมตตาตัวเองก่อนทีะต้องเมตตาตัวเองทำจิตให้ผ่องใสให้ละเลยเกิดขึ้นเนี่ยแค่ตรงนี้ก่อนทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันปึกไม่ได้เคยสังเกตไหมว่าทำไมใจเราจึงไม่เป็นไปกับเมตตาเคยสังเกตไหมมันเพราะอะไรเพราะอะไรเอาทำไมถึงเมตตาจึงไม่เกิดในใจเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราเดินเมตตาไม่ได้จริงอะไรมาขวาง อะไรขวางเราเคยเดินได้ไหมเดินได้จริงๆและต่อเนื่องไหม <S <S เวลาเดินเมตตาทำมีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนนะเดินได้กับดวงคนที่เราเกี่ยวข้องเราปรารถนาดีกับเขาตลอดไหมคิดถึงคนอื่นเมตานไปด้วยกับความคิดไหมหรือไม่ไปไปไม่ไปไหไปไหม ได้ตั้งใจไ้ยว่าจะให้มันไปได้ตั้งใจจะฝึกัหมมันอยู่ที่เราตั้งใจนะอยู่ที่เจตจานงอยู่ที่ความจงใจและตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นเองได้ไห้ยากเพราะเราไม่ใช่มีฐานเป็นคนดีมาอย่างนั้นมันต้องตั้งใจที่จะให้เกิดต้องตั้งใจที่จะขับเน้นให้มันเกิดให้มีแม้กระโดนามุทิตาเป็นต้นเราเนี้ยนะแม้สภาพกตัยกตาเวทีทั้งหลายเราเนี้ย จริโอตปะปาเนี่ยลายตบ่าวความเกรงกลัวตวบ่าวไอ้คุณภาพตรงนี้เราต้องทําต้องฝึกนั่นใช่ไหมถ้างั้นไม่เกิดไม่ใช่อยู่ๆลอยมาเกิดเองได้ทีมันต้องตั้งใจที่จะเกิดมันมาจากอะไรเนี่ยมาจากเจตนาะและ้วต้องเชื่อมไหมต้องมีความเชื่อมั่นในพระรรตนตรัยไหมถ้าไม่เชื่อมั่นหนีหวังเลยนะทีนี้ก็แปลกใจว่าขนาดบอกแบบนี้บอกวิธีการด้วยเนี่ยก็เออจเริญไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกแล้ว เป็นเรื่องแปลกที่จริงอะนั่งอย่างเนี้ยเมตตาให้มันเกิดได้ใช่ไหมรักปรารถนาดีกับผู้พูดจิงได้เลยเนี่ยโอ้เนี่ยท่านขอให้ท่านมีความสุขให้ท่านมีอายุยืนให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ ด, ดีให้ท่านประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้ท่านพ้นทุกข์โดยเร็วโดยสะดวกขอให้ท่านพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยเร็วโดยสะดวกนะคิดแค่เนี้ยทําไมความคิดมันไม่ออกอาะทาไมไม่ออก หรือไม่เคยคิดใช่ไหมก็แปลว่าไร้น้ําใจใช่ไหมแล้วก็ฝึกคิดถ้าฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆนะเข้าๆจากคิดนําร่องใหม่ๆเมตตาไม่เกิดหรอกแต่คิดบ่อยๆบ่อยๆจะเกิดหรือไม่เกิดก็เกิดเคยเคยตั้งถ้าตั้งใจที่จะทําให้เป็นกระบวนการที่จะฝึกให้มันเกิดให้มีจริงๆไหมไอ้ตรงนี้ ตรงนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วจะพัฒนายัางไงคำสอนพระเจ้ามันวิ่งเข้ามาในใจเราเอางได้ไหมมันต้องน้อมเข้ามาไหมต้องน้อมเข้ามาคำว่าโอปนะนั่นยี่โกต้องน้อมเข้ามาใส่ตนเอาคำนี้แปลว่าอะไรคำว่าน้อมเข้ามาใส่ตนทำให้มีให้เกิดขึ้นอทำอยังไงทออ่านยังไง เวลาจะทำสัตว์ท้ายเกิดขึ้นก็าทำยังไงพูดหรือคิดตัวไหนนำเนี่ยไอตัวโยนิโส ổ, ตัวเจตนาเนี่ยโยนิโสมันราชการเตัอะไตัวเจตนาตั้งใจก่อนเนี่ยนาะ ต, ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าไม่เกิดทำไงต่อ ว, ว่าเราไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถ้าทําตามระเบียบประเภณนี้ก็มีดอกไม้เข้าไปไปถึงก็ไปเดินเวียนก็ไปเสด็จหมก็จบไอสภาพจิตใจอะใช่ไหมมันรูปแบบที่ทําข้างนอกสภาพจิตใจ ấy, ที่มีคุณภาพมีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้เกิดศรัทธาเนี่ยเกิดตาเมตตาไปนเลยอีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อลองดูนะว่าระดับระหว่างคุณภาพสมรธถภาพและความสุขเนีอันไหนทำทำ อันไหนควรทําก่อนที่จริงถ้าใครหล่อเลี้ยงใจตัวเองให้มีความสุขได้ด้านความสุขด้านปลาโมดทําใจให้เกิดปลาโมดในสิ่งที่เราทําสิ่งดีๆก็เกิดศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทําในสิ่งที่ดีงามนึกถึงการกระทําที่ดีๆของตนเองวันวันหนึ่งเราทําดีเยอะไหมมาบวชอยู่อย่างเงี้ยเยอะหรือไม่เยอะ แล้วเราเคยนึกแล้วปลื้มใจไหมเฮ้ยเพิ่มขนาดนั้นเลยไม่เคยเลยเลยเดี๋ยวต้องให้ทําใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ท่านไนซ์เนี่ยแบกของให้หนักที่สุดแล้วก็ไปแจกพระแบกอย่างหนักเลยนะประมาณสักห้าหกสิบกิโลอ่ะอนอมแบกไปแล้วก็สักพระเคสเลยก็แบกแล้วก็เดินแจก เดินไปเถอะนุ่นเดินเดินด้วยตัวเองเลยนะเดินให้คิดไปนุ่นไปแจกที่วัดส้นหงส์ผ่านเงินเยอะต้องแบกไปอย่างนั้นนะแบกไปเลยให้เหงื่อไหลแล้วก็ให้คิดวัเ น, นี่ยเราจะไปถวายโลงมีวุฒิยาบเป็นประมุกให้คิดทุกข้าวต้องฝึกอย่างนี้นะได้สงสัยถ้างั้นไม่เดินเ น, ะนนะี่ยจิตเนี่ยน่าเอาสักครั้งหนะึ่งแบกไปเลยฮนะแบกไปงั้นแหละใครจะมารับบอกให้ล่ะครับ ต้องการอยากจะขวนขวายด้วยเลี่ยวแรงด้วยกำลังด้วยตัวเองเพราะปัญญามันไม่ค่อยเกิดมันต้องเอาหนักๆอย่างนี้ <c oughs> แล้วมันจะจำตลอดชีวิตเนะาแบกแบบชนิดที่ไหลเรียบสุดเลยนะครับเดี๋ยวหาของสักชิ้นแบกไปเลยเอาน้ำก็ได้ <c oughs> สององค์แล้วแกไป <c oughs> ดีไม่ดี นันต้องทําอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ฝังใจเลยว่าเราไม่เคยใช้แรงใช้ร่างกายตเต็มที่เทําแบบมีเงื่อนไขตลอดใช่ไหมทําแบบเนี้ยทําลายโลภะโทสะโมหัซะเลยทําได้ศรัทธาน้ําตาไหลเลยนะครับทำให้มันน้ําตาไหลขึ้นมาจริงๆโอ้โหหนักมากเอาทั้งผ้ า, าทั้งอะไรไปเขาไปเบสตแต่สุดคุกเข่าลงเลยก็แจกที่ละองค์เขาไปแจกค้าพเจ้รับรับทานกุศลผมหน่อยครับช่ว อ, อนุเคราะห์ผมด้วย ช่วยอนุเคาะห์ผมด้วยมีคนคนหนึ่งทำยังไงก็ไม่ได้จะให้ทำแบบนี้ห้ายาบแบกเดิร์ดสามกิโลโดนจนหมดแรงไปถึงวัดหนึ่งมีล้งตายอยู่สามองสุดเข่ายกยาวช่วยอนุเคราะห์ผมหน่อยครับไม่ใช่ว่าผมเหนื่อยรับทานกุศลผมด้วย ก็รับพอเขารับจำจนทุกวันเนี่ย้างั้นไม่จำถ้างั้งนมันเจริญไม่เป็นมันต้องให้ออกร่างกายนะออกแรงอยู่เต็มที่อย่างนั้นเนี่ยเออมันหนาจาัดปัญญามันหยาบเยอะมันคิดไม่ออกก็ทํามันก็ทําแบบเงื่อนไ ข, ขตัวเองตลอดเนะี่ยไม่ได้ทําจริงๆอย่างยต้องทําขนาดนั้นเนะียเออเอเดียอาสักย วัาไหนดีเนี่ยช่วงนี้โอภพกําลังเยอะอยู่ออกพรรษาเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้เขาของเขามีเอาวันที่เขามีก็มีของเก็บของไว้ให้เน้นเก็บของไว้แล้วก็แบกขนาดนั้นเลยไม่เอาใครบอกไปไหนท่านบอกอ๋อไปทุรท์ล่าผมไม่ส่งไม่ต้องยอมอาจจะมามีหลักของอาจจมาอยู่เดินเท้าเปล่าด้วยนะเปิดเปิดเปิดเปิดเดินไปนะ มันร้อนด้วยมันทรมานเลยแล้วตอนเที่ยงด้วยนะไปตอนเที่ยงเลยเดีว๋วไม่ใช่ทำก่อนเที่ยงจริงแต่ประมาณสักสิบโมงแค่ขนาเนี้ไปเลยเดินเดินเดินเพราะเขากำลังจะนั่งฉันไงก็ไปเลยแล้ววันนี้ไม่ฉันด้วยชื่นใจให้ชีวิตเป็นทานไปเลยกลับไปครับแล้วบอกว่าผมอิ่มแล้วครับบอางั้นผมอิ่มใจนั่นเองผมอิ่มแล้วครับ ไม่ใช่แล้วมันจะฝังใจทั้งชีวิตต้องทําแบบนี้แล้ววันนั้นสมาทานไม่ฉันน้ำบรรณาด้วยกินแต่น้ําธรรมดามจะได้จําไว้อย่างเรามันต้องทําอย่างนี้เอกกิเลสเราเนี่ยมันต้องทําอย่างนี้เราเป็นคนกิเลสนาะเราต้องสละขนาดนี้เราต้องกล้าไม่งั้นต้งสละชีวิตเพราะงั้นจะมันถึงจะได้บุญเดินเท้าเปล่าเลยครับปังตั้งตั้งๆั้ง ต, งตงไปนั่นะ จะให้บอมเป็นคนนำเนี่ยดีไมดีเนี่ยักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแต่นี้มันจะโอ้โหเล่าอะไรก็ฟังใจโอ้โหอาจารย์ให้บททดสอบผมชัดมากว่ากันความยังไงก็อธิบายแล้วไม่ก็เข้าใจไม่ก็เข้าใจแล้วภาคปฏิบัติการเลยว่าันปฏิบัติการถ้าทำอย่างนี้ อันยังไม่ชื่นใจอีกวันที่สองไปใหม่หนักกว่าเดิม <c oughs> มันร้องไห้เกี่ยวอะไรกันได้มันร้องไห้มันยังไม่ฝังใจอีกเนะี่ยผมทําอย่างนั้นนะครับมีอยู่ครั้งเนี่ยผมแบกอาหารขึ้นสะพานลอยเนี่ไตแทบหลุดเลยเขาห้ามผมแบกขอ ง, ขงหนักนะเปลี่ยนไตามาเนี่ยคลิกลิกลิกลิกลยไตยจะหลุดเลยผมก็ค่อยเดินก็ค่อยเดิน ว่าใครก็ขวางทานก็สวนผมไม่ได้ใครก็ขวางไม่ได้ไหลเลยสุดหมดเลยนี่เป็นยอกมันอยู่ทุกวันทดลองมาดูแล้วทไงไม่ไม่ค่อยชื่นใจวะทำไงก็ไม่ค่อยชื่นใจโอ้แต่นี้ชื่นใจเลยทตนี้โอ้ตั้งแต่นั้นมาให้นิดเดียวก็ชื่นใจ <c oughs> <c oughs> กิเลสมันไม่มาแล้วแต่นี้มันกลัวแล้วกลัวใจเรา อ, ะาอ่ะเข้าใจยังนต่เข้าแต่เข้าให้น้ำขวดมันก็ชื่นใจแล้ว เพราะกิเลสมันร like like like, like ja ู้เลยเจ้าเนี like like ้ยโอ้โหทําลายจไอ้ที่ไอ้ที่กิเลสไม่ชอบอะหักทิ้งหมดเลยอะไรชอบมีสละทันทีอะไรอยากได้ทุบทิ้งเดียวโหนะเข้านะเข้ากิเลสโง่ตายไม่ไม่กล้าเล่นกับมันเลยเจ้าเนี้ยโอ้โหอะไรที่ชอบก็ไม่ได้ชอบทําลายเดี๋ยวนั้นเลยอมันเสียดายอะกิเลสมันก็ซ่อนอย่ชอบพัดลมเอ้าสละพัดลมเงี้ยี่ชอบอะไรสละทิ้นนั้นเลย โอ้เล่นขนาดนั้นเนี่ยกว่าจ ะ, จะเจริญกุศลได้กว่าจะ พ, ะพุทธปฏิบัติได้นี่เล่นกค่นขนาดนั้นนียอย่างเราต้องใช้ลูกนี้ไหมต้องใช้แน่นอนเนีถ้างั้นไม่ขึ้นนีมันไม่ขึ้นหรอกถ้างั้นใจมันยังไงกูเลติดสกติดสบาย น, นีแล้วก็กลัวตายกิเลส ท, ทั้งนั้นต้องเล่นขนาดนั้นเนี่ย เดี๋ยวต้องหานะเก็บของไว้เก็บก็บบบพได้เยอะๆล้แบกเดินไหวอยู่แล้วใช่หม้าสิบกิโเออหกสิกิโลแบกไว้มัะบอมก็เอาสักห้าสิบโลอมบอมเขาก็ได้อยู่แล้วนี่เขานำเขาอาจจะแบกน้อยๆก็ได้บอมแต่เป็นคนนำทางไปแล้วอย่าช่วยนะ บอมช่วยพี่ด้วยไม่ได้หรอกตัวใครก็ตัวใครบอมบอกงั้นน่ะนี่ย้ร้องไห้ไปเลยว่างั้นเนี่ยทำให้ร้องไห้น้ําตาร่วงเดินไปเลยขนาดนั้นเลยได้ครับตอบมันฝึกได้จริงๆแล้วมันจะเข้าถึงเนี่ยในไหมด้านคุณภาพด้านสมรรถภาพแต่สมรรถภาพด้านแข็งเข้มแข็งเ่ยด้านความอดทนด้านความเข้มแข็งด้านความกล้าๆด้านสติด้านสมาธิเนี่ยโอ้โหเนี่ย ด้านความมั่นคงด้านจิตใจนะครับกันติแล้วก็ด้านความสุขเพื่อทำให้มันจนได้ความสุขนะครับนะครับโอ้โหสุขนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงเยอะพอมันเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วตอนนี้มันเบาเบาบางฟังอะไรมันชื่นใจได้เลยตอนนี้มันจะมันจะขึ้นเลยตอนนี้นี่มันการก็ต้องฝึกมันในหลวงเลยนะเวลาท่านโอ้โหใช้ชีวิตไปตามป่าเขาลําเนาไปเดินลําบากมาก ดูที่คนสุขุมาาชาติต้องไปเดินตามป่าตามเขาต้องไปลำบากพักแรมื่อยๆนี่คุกเขา่าดูที่นี่ทำงานด้วยความลำบากพอทำ อ, อย่างนั้นมากมาๆเข้าใจก็เข้าถึงทำมานี่แหละเอาละ ว, วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาเนี่ยสมควรเกร็บเวลาก็คุยหลายเรื่องที่แรกก็คุยเรื่องทศวิตรา จ, จะทำมาจา ก, กวารดิวัตสิ12ก็มาลาชาติสังหาวัตุสี แล้วก็เลยมาพูดว่าเออเราจะเข้าถึงธรรมะเอานี้ได้ยังไงก็วิธีการนะสมควรแก่เวลาขอความเจริญยังมีแค่พวกเราทั้งหล้น